ฌะระนะกัจฉามิว ต้องยกภรรยาของพระโมะโห OS สถมาเปรียบเทียบตรงเนี้ยบอกว่าทั้งๆ ท, ที่มีขนาดมีโอกาสมีที่รักเนี้ มีขนามีโอกาสแต่ทำไมนางจิงไม่ทำชั่วพ้าโพธิสัตว์นนั้นเป็นพระหมูสดก็ทดลองพยายามตอนเองว่าจะจะนอกใจนะก็ให้คนที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมทุกอย่างหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยฉลาดเป็นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ แล้วตอนนั้นน่ะพระโพธิสัต์ก็ไม่อยู่ด้วยให้ไปพูดไปไปที่ภรรยามองท่า น, นแล้วก็ไปพูดจเจราพัดเที่ยวกองเพื่อต้องการให้นางนั้นเนี่ยมาอยู่กันเดทนางก็นางก็มาทิพย์ในใจจริงนางไม่ประพฤติดด้วยนี่ปัประเด็นปัญหาก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมนางไม่ใช่ไหพุทธพจน์บอกว่า นั้นมีโอกาสมีขนาดและมีที่เรบนางเห็นโอกาสเห็นขนาดแต่นางไม่เห็นที่รัาถ้าอย่างหนึ่งก็คือว่านางเปรียบเทียบระหว่างพระโพศาสัตว์กับคนที่มาใหม่ทางด้านของสติปัญญาก็ต่างใช่ไหมทั้งด้านถึงความสามารถดีแค่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนะี่ย ตอนนั้นในหลักตรงนั้นจะพูดถึงประมาณสักห้าสิบหกรือสี่สิห้าสิบกวาอย่างเทียบได้คนคนที่มีความสามารถต่างๆประมาณสักยี่สิบอย่างอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งมันไม่ถึงแบบนี้อย่างนึ้งแต่อย่างหนึ่งนางพิจารณาแล้วไม่มีที่รับตรงไหนที่จะทำบาปได้เลยนางก็พิจารณาถ้าคนไม่รู้เทวดารู้ ที่เราจะไปทาบาปในที่ตรงไหนที่เทวดาจะไม่เห็นพฤติกรรมของเราไม่มีฉะนั้นในทัศนะที่นางเข้าใจคําสอนอย่างดีแล้วเนี่ยนะ น, นางจึงรู้ว่าไม่มีที่ลับและคนที่รู้จงๆคือตอนเองเราจะหลบยังไงเราจะหนีได้ยังไงเมื่ตอตนเองรู้อยู่เนีคนทําบาปนี่ตนเองเป็นผู้รู้อยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยนางก็เลยไม่เห็นที่ลับที่ไหนไหนเลย เพรไปตรงไหนตัวเองก็รู้หมดไปตรงไหนตัวเองก็เห็นหมดฉะนั้นจึงบอกว่าอย่างนี้ไงเขาเรียกว่าผู้หญิงนะั่นแหะถ้าไม่ฉลาดในคําสอนหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตให้ถูกต้องอ่ะก็สําคัญว่ามีที่รับทีนี้คําว่าผู้หญิงเนะี่ยได้โอากาสได้ขนาดได้ที่รับเพราะการเป็นผู้หญิงเนี่ยความโรเลโรเลในใจสูงมากเราทําไมถึงสูงยอมหวาน เพราะความที่เกิดเป็นหญิงเนี่ยถามว่าผู้ชายโลเลมีเยอะไม่เยอะนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกวงชาติที่ใกล้ชิดของเขาเขาเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวกกลฉะนั้นการสลับกันมันมีปกติระหว่างหญิงและชายอามาเคยเป็นหญิงมาไม่รู้กี่ ล, ล้านชาติฉะนั้นความโลเลในใ จ, ใจอามาก็ยังมีอยู่สูงมากซึ่งมันต้องละให้ได้ใช่ไม เราท่านทั้งหลายเราเคยเกิดเป็นชายไม่รู้กี่ล้านล้านชาแต่ก็เราก็พอภาพาเป็นหญิงไงได้โทษของกรรมเยสุมิฉาญาณถามว่าสัตว์ที่นั่งกันอยู่นี้ที่ไม่มีใครทํากรรมเยสุมิฉาจารย์ไม่มีเลยมันแล้วแต่ใครนั้นจะมีโอกาสในการกรรมนั้นจะให้ผลแล้วมันให้ผลในปฏิสนธิการได้ไหมไในประวัติการได้ไหมไ มันจะทาโอกาสให้เปลี่ยนภาวะเพียรเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นเป็นอยู่อย่างเนี้ยหรือไม่เปลี่ยนทั้งด้านกายแต่จิตใจเปลี่ยนซึ่งเราก็เห็นยเยอะแยะถ้ายอมมงคลจะไปเปลี่ยนเพศยเพราะว่าตอนอายุ80นีน้น่าเกียดไหน่าเกียดใช่ไหมแต่เราจะไปห้ามได้ไหมถ้ากรรมนั้นจะให้ผล เพราะเขาให้ผลทั้งในปฏิสนธิการและในประวัติกรรมบางคนเนี่ยอายุถึง80แล้วเพิ่งเป็นตพองเปลี่ยนทับร้องไห้เลยต้องแอบแต่งตัวในห้องดูคนตัวเองคนเดียวอาจา<ะ>รย์นะอาจารย์พูดถึงผู้หญิงสองคนเนี่ยำทำให้มีสิ่งกอเปลียนี ถ้าคนแรกเนี่ยจะทาให้สมสยัยว่าในที่รักที่มีโอกาสเนี่ยจะทำชั่วอย่น้้าผจ้ห่ิ ง, ง, งคนที่สองเนี่ยก็มีการศึกษาเข้าใจก็คิดว่าเธอไม่เห็นที่รับอะไรไม่มีใครที่ไม่รู้ไม่มีเพรเราเป็นคนแรกที่เป็นคนทำชั่วทำดีทำบาปใช่ไหมคะเทวดาที่เป็นสมาธิี่ตเทวดาที่มีการพิจาร่า อาจารย์ไม่รับตอนที่สองนะคะสงสัยแล้วเพราะว่าเอ๊ะทําไมคนที่ถือสินเยอะๆแล้วคนที่บริสุทธิ์น่าอาจจะทําทั่วในที่รับได้สามอย่างใช่ไหมก็ทําให้สงสัยแต่พอมาแก้ข้อมูลเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าอ้เพราะเขามีข้อมูลเขาามีข้อมูลใช่ใแล้วเขาไม่เห็นที่รับยันน้อยยางน้อยไม่มีใครรู้ตัวเองใช่ใช่ ต้องแก้ด้วยนะงานเกี่ยวข้อย่อารเกิดอ๋อเพราะไม่เพราะไม่เคยคิดทําชั่วใช่ไหมไม่น่ะคือว่าอะไรถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคมันก็ต้องมีว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมีผล คือประเด็นจริงๆต่างๆหลายคนที่กล้าทําชั่วเพราะไม่เพราะคิดว่ามีที่รับไม่ไมีใครเห็นเพราะว่ามีมีที่รักเช่นเราอยู่ในห้องคนเดียวเราคิดว่าที่ตรงนั้นมันรับเราลืมว่าไอเราเนี่ยรู้แต่จริงๆก็คือทเที่ยวดาทั้งหลายเต็มเลยบนอลยมันก็ห็นกันการทำของเราก็เหมือนถ้านั่งฟังหลับเนี่ยเที่ยนั่งฟังแล้วหลับเนี่ยทเที่ยวดารู้ไหมนั่นต้นเองรู้ไหม นั่นแหละไม่มีที่ล็อคแอบเราเพ่ออันนี้สำคัญใช่ไหมทำอะไรอย่างตัวเองก็องรู้ใช่ไหมตรงนี้ก็เจตสิกสีนจำด้และหกตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสสัมมาชิวานี่เป็นตัววิรตีแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาอันนี้คืออโลพะอโทสะอโมหะ มีเขา้าใจแล้วนะผลประกอบแล้วยกตัวอย่างประกอบทุกตัวด้ว่ยพาต่อทตเนี้ยนะยังไม่จบเรื่องเจตสิกเรื่อง เ, เรื่องศีลสรุปแล้วจะได้ศีลสองตัวและเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเอาใครยังมึนๆอยู่ฟังต้องให้ได้ความเข้าใจ อ, อ๋อเนี่ย <พอ S 1> เดี๋ยว <พอ S 1> เดี๋ยวจะอธิบายสรุปเพราะตอนท้ายยังจะสรุปสรุปตรงอวิธิกรรมะคือการไม่ก้าวล่วมซึ่งพูดทั้งกุศลจิตตบารพูดโดยอง์รวมทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดร่วมกันไม่ร่วมแต่มีอะไรเป็นประธานแต่ละครั้งก็ว่ากันไปบางครั้งเจตนาเป็นประธานบางครั้งสมาวาจาเป็นประธานบางครั้งสมาธรรมตาเป็นประธาน บางครั้งสมาชีวะเป็นประธานบางครั้งความไม่โลภเป็นประธานความไม่โกรธเป็นประธานหรือปัญญาเป็นประธานสภาวะทางหนุนั้นก็เกิดเกื้อหนุนกันไปเข้าใจไหมนันอยู่ที่ว่าใครจะมาขึ้นมาเป็นวิเศษยิ่งกว่าธามะเหล่านั้นก็อนุกูลไปใช่ไหมมันกรณีอย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งเรียนอย่างเงี้ย ก็ต้องให้ผู้กล่าวผู้สอนธรรมะเป็นประธานไปแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่บ้านแต่เราบุงคนเนี่ยเราก็ไปเป็นใหญ่เป็นเลก็ว่ากันไปตามฐานนะอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่ว่าวาระนั้นอะไรจะวิเศษยิ่งกว่านะวาระนั้นก็ขึ้นมาอยู่ในฐานนเป็นประธานคเข้าใจใช่ไหมยองสุภันโอหงเข้าใจว่าประเด็นนี้เห็นไหมเขาเกิดร่วมกันั้ย แต่แล้วแต่ว่าอะไรจะมาทำกิจในการที่จะเป็นประธานนอกนั้นก็เกิดร่วมกันในการที่จะจัดแจงอะไรกายกรรมวจีกรรมแล้วมโนกรรมให้เป็นไปกับศีลถ้าตัวครศสรศีลถ้าเราเข้าใจให้ชัดมันจะเดินได้ชีถ้าอย่างนั้นม่นเดินศีลไม่ได้เม็ดปัญหากันทุกวันเนี่ยจริงไหมไมชีสเกต ด, ดูที่รักษาศีลมาทั้งนานเราเดินไม่ได้อะ มันต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าปลดผ้าบทมาตั้งนานเดินได้คล่องแคล่วแล้วนะเพราะความไม่เข้าใจมันต้องมานั่งแจกแจงแยกแยะก็เหมือนที่บอกว่าเรื่องศีลเนี่ยามาพูดเป็นสิบๆครั้งบางทีสรุปไปเสร็จกลับไปถามเดินได้รือยังยๆามาใช้คุยกับพระเนี่ยมาพูดถึงสุนนะัะ สุนัขของนายพานมันมีสองประเภทประเภทแบบกัดติดกับแบบกัดไม่ติดกัดปล่อยไอ้พวกสุนัข ก, กัดปล่อยกัดไม่ติดเนี่ยนายพานก็ไม่เลี้ยงปล่อยไปเลยให้ไปหากินเองถ้าประเภทกัดติดเนี่ยเขาเลี้ยงเวลาเอาเข้าป่านเนี่ยเวลาไปเจอกระต่ายเจอควางเจออะไรต่างๆเม่นเนี่ยนยมันกลัดติดเลยมันไม่ปล่อยหรอกกัดแล้วเนี่ย ก็เคยล่คปลาฟางขนาดเป็นวิ่งไปนี่นะมันไปเจอแม่นอะ่ะแม่นมันสลัดขนได้นะขนมันยาวเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะตัวเม่นเนี่ยสลัดขนปุ๊บนี่ขนแม่นปักที่ตรงตามเกือบเข้าตาปั่นร้องเลยจนในในภายนี้คนรู้จ่ายมาเลยไงนะไปเบสเซ็จก็ก็ถอดออกเอายาใส่ก็ใส่เบสเซ็ตแล้วเบสเซ็ตมันวิ่งตามเม่นดีเ ม <c oughs> ันไม่ยอมมีก็เลยกับติ ด, ตดการศึกษาคำสอนต้องประเภทกัติดยอย่าปล่อยก็แปลว่าต้องเข้าใจให้ได้ต้องเดินให้ได้มตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปุสรศีนั้นมันขึ้นมาเกิดบ้างหรือสมาธิหรือปัญญานะตรงนี้ออนะก็ก็ ถ้ามันเกิดได้เร็วกว่านี้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะต้องเกิดเป็นปริมาณหนาแ น, น่นคืออย่างนี้ามาเท่าที่สังเกตดูเนี่ยความตั้งใจของหลายๆคนไม่ค่อยแข็งแรงบางคนตั้งใจสูงมากแต่บางคนนั้นมีความตั้งใจอ่อนแอมันคือความปกเราคุณธรรมไม่เดินเลยไม่มุ่งมั่นในการที่จะเดินเลย ถ้มามว่าเขายังไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงจร sure no. okay. ิงไหมเรื่องนีจริงไหมถ้าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรเร่งรีบคืออะไรควรกระทำอะไรแต่ถ้าเราจะมองในแง่ถึงว่าเอ่อรักษาสิ่งระดับพวกเราเนี่ยนะคะถ้าเรื่องแบบใหญ่ๆเนี่ยรู้สุกเราไม่คิดเลยก็ไม่อยากทำไม่อยากพอเข้าใจตรงนั้นเลยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่อย่างอารมณ์หรือว่า เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บไม่พอใจไม่ถูใจอะไรต่างๆในสิ่งร้อนๆอย่างนี้มันมันมันไม่ขาดได้เร็วนะทันทีพอพอหลังจากเราไป่เข้าใจหรือไงใช่ใช่คมันมันช้าก็อย่างนี้นะมันช้าไปเข้าใจคือถ้าเข้าใจจะเข้าใจยังไงที่พยายามเนี่ยหนึ่งต้องเจาะให้เลือกเข้าถึงตัวสภาวธรรมถ้าเข้าใจตัวสภาวธรรมที่เป็นกุศลสี เข้าใจเจตานาชัดว่าเจตานาที่มันเป็นศีลเป็นกรรมยังไงแล้วบาปอกุศลและธรรมที่มันเกิดขึ้น <c oughs> เพื่อจะเป็นเคียร์การร่วงละเมิดหในทางกายและทางวาจาถึงแม้ไม่ร่วงละเมิดแบบประเภทที่แรงแรงเช่นมีการว่ากล่าวใช่ไหมเราออกมาเลยเนี้ยเรียกคุณทําไมทําอย่างนี้ก็ไปว่ากล่าวทั้งๆ้งที่มันร่วงละเมิดไปแล้วแต่เราไม่เห็นโทษของการร่วงละเมิดครับนะ หรือกรณีที่เราถึงตามองตาเฉียวเลยเนี่ยเนะ่หรือกรณีที่โกรธแล้วก็พูดท่ามออกมาเนี่ยมความเพ้อเจือความมุษาว่าเป็นต้นเหล่านี้มันไหลออกมาเป็นระยะเนี่ยในกรณีที่เราไม่เห็นโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆนี่ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวขวางกุศลธรรมมือและตัวเหล่านี้นําเราลงระบายภูมิได้เลย เพราะถ้าไปเห็นโทษตรงนี้ไปเสร็จต่อมานี่มันจะเก็บรายละเอียดได้เลยตอนนี้มันจะต้องไปเจาะให้เข้าใจถึงขนาดนั้นและในสื่จรจริงมันจะเป็นปกติของศีลที่มันเกิดขึ้นมาเดินกันมีความแข็งแรงแล้วทีนี้กรณีที่มันจะเดินได้แข็งแรงในหนึ่งตัวสัตาใช่หให้สังเกตดูนะว่าตัวปัญญาที่ไปเป็นตัวเจตสิกศีลน่ะ ไปพิจารณากรรมผลของกรรมเบ็ดเสร็จนี้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาตรัสเรื่องกรรมสิบสองไว้กรรมสิบหกไว้อย่างไงพอเข้าใจความหมายของก็กกรรมเข้าใจนานคณิกกรรมมาปัจจัยเป็นด้วยอย่างดีพอเข้าใจศาตรชาตากรมมาแล้วก็นานคณิกากรรมมาใช่ไหมกรรมที่ประชุมกันในจิตเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยในการทํากรรมเมื่อทํากรรมเบ็ดเสร็จแล้วก็ทําให้ได้รับผลของกรรม พอพิจารณาอย่างนี้ก็น้อมในการพิจารณาบาปทุจริตแล้วแล้วก็บไม่ไม่ไม่มาบำเพ็ญสุจริตทีนี้พอเป็นไปในลัฐอย่างนี้ยพอปัญญาเกิดมากขึ้นปัญญาก็มาเกื้อกูลศรัทธาก็มีสรัทธาข้าตาโพธิศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระริยสมชัดขึ้นศรัทธาก็ไปเกื้อหนุนวิริยะ ก็ทําให้วิริยะนั้นประคับประคองกุศลได้อย่างต่อเนื่องต่อไปทุกโชดนะเกิดขึ้นก็เพียงพยายามนี่จะทําให้กุศลเดินตัววิริยะก็ไปเกื้อหนุนสติก็ไม่หลงลืมนะแต่ก่อนมันยาวอยู่นะกว่าจะนึกบาปนึกบุญได้มันยาวมากนะเข้าสติแข็งแรงเขาวิริยะเกื้อหนุนสติก็คิดได้เร็วขึ้นระลึกได้เร็วขึ้นสติก็ไปเกื้อหนุนสมาธิ จิตก็ตั้งมั่นความพุ่งสร้านก็ไม่ไม่เข้าพราะความตั้งมั่นเกิดปัญญาเกิดไหมปัญญาก็ไปเลือกวิจัยกรรมผลของกรรมละเอียดขึ้นปัญญาไปเกื้อหนุนอะไรอีกศรัทธาและศรัทธา ก, ก็เกื้อหนุนวิรยิยะวิริยะเกื้อหนุนสติสติเกอหนุนสมาธิสมาธิเกื้อหนุนปัญญาปัญญาก็เกื้อหนุนศรัทธานาเข้านาเข้าตัวอินรี่ห้า เกื้อหนุนจนแข็งแรงในกระแสใจก็อยอมคนแล้วเนี่ยนะยอมคนก็ก้าวออกจากการฆ่างดเว้นจากการฆ่าก้าวออกจากการรับลัดมดเว้นจากการลับก้าวออกจากการประพฤติในกามก็งดเว้นจากการประพฤติในกามก้าวออกจากการพูดส่อเสียดก็คืองดเว้นจากการพูดขอเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อก้าวได้ด้วยก้าวออกจากอภิชา ในน้องไปหาความไม่โลภก้าวออกจากความโกรธน้องกหาเมตตาก้าวก้าวออกจากโมหะน้องก็หาปัญญาแล้วก็ก้าวออกจากความไม่ยินดีในการเจริญกุศลที่เป็นๆอยู่หลายตอนเนี่ยไอความหดหู่รอดถอยอ่ะก็เริ่มมีใจล่าเริงในการที่จะเจริญกุศลมากขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เียกว่าเริ่มก้าวออกจากอกุศลกรรมบุญสิ น้องก็หาผู้สนกำ ม, มวสิต่อมาสุจริตสามดีไหมกายาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแข็งแรงมากเลยอันนี้แปลว่าสุจริตรดีและอันนี้เป็นก้าวแรกทีนี้ก้าวออกแปลว่าสุจริตสามเริ่มดีแล้วประเด็นต่อไปคือวิริยะต้องเพียรพยายามทำให้สุจริตสามเดินให้ต่อเนื่อง<ม>เออนี่เป็นหน้าที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะ ไม่ใช่โอ้ดีใจแล้วเราออกได้แล้วไม่ใช่ขนาดที่ออกได้แล้วน่ะเขาก็พยายามรักษาคุศลสุจริตสามให้เดินอย่างต่อเนื่องอินทรีย์ก็มาทําติ่ต่อเห็นไหมทำเจตสิกสีให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวความอาวิปฏิสารคือความไม่เหรีอนร้อนใจก็เกิดลาโมดเกิดไหมลาโมดทีติเกิดความสุขเกิดได้ดื่มรดทองศีลเนี่ย ได้ดื่มแล้วรทสทองศีได้ดื่มดำแล้วมีความสุขแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีความสุขเลยอ่ะยี่สิบปีมาเนี่ยไม่เคยมีความสุขจากการรักษาสีเลยเครียดวิตกกังวลตลอดแต่ตอนนี้ได้รับความสุขสดชื่นเลยสดชื่นตรงไห น, นสดชื่นที่ได้ออกจากทุจริตได้แต่ยังมียังมีเรื่องที่จะต้องบําเพ็ญต่อไปไหมมีออกจากการมาฉันทาได้หรือยัง อย่างออกจากพยาบาทได้หรือยังอย่างอีกอย่างศรีวอนยังออกไม่ได้ออกจากศีนามิธาได้หรือยังออกจากอุทธาจักปูกุจ่าออกจากวิจิจิฉาออกจากอวิชาออกจากความไม่ยินดียังออกไม่ได้ใช่ไหมกันนองไปที่จะออกน่ะเข้าสมาธิตั้งเป็นอุป च าระนั่นนถึงจะออกได้พอออกได้ถึงจะพ้นเครื่องพันธนาการระดับหนึ่งอันนี้พูดอนาคต ให้ฟังที่เรายังเดินก็ไม่ถึงเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่นั่งหัวถูท้อซอยกนอยูอย่เนี่ยแต่มันเป็นอย่างงั้นก็ยัยยังการปฏิบัติตามวัฒนมันเป็นอย่างนี้อทีเข็ยัยยังถ้าเดินอย่างเนี้ใช่ถ้าอย่างที่เป็นไปอยู่ไม่ใช่อาจารย์เราทำไมถึง ก็นี่ไงพระก็เราเรียนนี่อยากเรียนอยากเรียนที่สูงยังไงแต่เจ้าตัวที่มันเยนตะกรเห่านี้มันยังเกิดอยู่กับเราอยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยมันไม่มีการเจริญเสพไม่มีการอบรมไม่มีอะไรมันจะรู้ได้ยังไงมันรู้เรื่องเยอะจังเลยแต่ว่าตัวเรายังทําไม่ได้สรัทธาเขาไมเกิดปัญญาก็ไม่เกิดแล้วตรเนี้จะขล่าวไปถึงจุดไหนได้อตรงนี้เอานี้ไงถึงบอกว่า ตอนนี้จัดจางจัดแก่งแล้วก็เองให้ชัดก่อนเยอะเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งคิดออกนอกตัวคือคือที่พูดอย่างนี้ไม่แ่อะไรเข้าใจเข้าใจเพราะว่าตัวเองก็ก็พิสูจน์ตัวเองด้วงวาเทไมเราต้องมีครังเี่ยเราศึกษาเราเข้าใจแต่ทาไมเรายังมีตัวที่มาทุกทีเลมันเกิดอะไรขึ้นทไมเราจะมีตัวนี้กิดมาทุกทีทไมเราไม่เข้าใจชัดเจอย่างนี้พราอะไรเพราะว่า ความไม่เข้าใจหรือว่าการบอบรมน้อยหรือไม่เข้าใจเรื่องของพระขลศเสียตัวนี้ไม่เข้าใจมากๆว่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะเรียนสูงยังไงตัวตัวเราตัวนี้ยังไม่เกิดเลยคืออย่างนี้อย่านั้นได้ยังไงอย่างนี้คืออย่างนี้ไหยต้องเข้าใจว่าบางทีเรียนสูงแล้วมีปัญ ญ, ญาตัวปั ญ, ญญาจะมาเกื้อกูลได้แต่ต้องต้องมีครูบาอาจารย์เชื่อไม่เห็นสมมติเราไปเราเรียนสติปัฏฐานเห็น ไ, ไหม สติปัฏฐานจัะมาเกื้อหนุนแล้วต่อไปสติปัฏฐานที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัญญาในเรื่องของสมถนอย่างนี้สิ่งต่างๆเหลนี้จะมาเกื้อหนุนตัวปุศรศสีทําให้ตัวกุศราสีชัดขึ้นเข้าใจใช่ไหม่าจะทําให้ชัดขึ้นฟังไวเ้เถอะขอให้ขอให้ฟังอย่าให้มานั่งหลับ ท่านนั่งหลอบเยท่านจะไม่ได้อะไรจริงๆแต่อาจารย์ต้งเห็นนะท่าส่ลบรากเนี่ยาสวใิงมาเห็นหลอกไปกูอะมามองเห็นเลยอะเพราะว่าเรากล้าไปถึงจุดงงแล้วเนี่ยความจริงเรามีหนังสืออ่านเรามีแารศึกษาที่ไปอ่านได้แต่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดตรงกมันอย่างนี้นะมันในหนังสือ่ง การเขียนเนี height, Tim, head, ่ยมันจะไปยกอุปมาเหมือนพูดเนี่ยมันยกไม่ถึงใช่ไหมกระถามพวกทั้งหลายหรือข้อมูลทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์มันต้องอาศัยกัลยาณมิตรทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันแล้วก็ระดมความเพียรในการที่หาข้ออุปมาอะไรต่างๆมันแยกแยะมาแค่มาแกะมาเกาเนี่ยนะใช่ไหมถ้างั้นมันไม่นั่นครับก็ขนาดยกประเด็นต่างๆแบบนี้กระถางอะไรเนี่ยมันนั่งเรียงตัวถางนี่ย เอาเลยเนี่ยนั่งเรียงตัวถามเนี่ยเองยังไม่มั่นใจเลยเลยใช่ไหมเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะประเด็นก็คือพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสเจอกันบ่อยๆเนี่ยหลังจากมาให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยหันหน้าแล้วก็ปรึกษาเรื่องสีเงินพบกันบ่อยก็ยกโทรศัพท์คุยกันบ่อยใช่ไหม อปนยังไงสีที่ท่านพระท่านบอกเขาไว้น่ะมันออกมาเพ่นพ่านทางกายทางวิาาชาถูกไหมแต่มันไม่ออกมามันเป็นเพราะอะไรมันถึงลอกออกมายากเหลืเกินใช่ไหมเอาเลยเชิญหน่อยจุดออกไม้ทูกเทียนเชิญสีออกมาให้หน่อยคืออย่างนี้นะอาตมาแนะนำอย่างนี้ ถ้าวันใดวันหนึ่งยอมเดินได้ให้เกิดได้ได้ดื่มดั่งบ้างในรสชาติของศีลวันนั้นยมอมอธิบายได้ชัดแล้วจะอธิบายได้ชัดเพราะเข้าใจสภาวะมันเกิดยังไงอ่านยังไงก็อ่านไม่ถดกถ้าเดินเดินยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยนะมันก็พอปิดตําลาก็ลืมอยู่เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจะต้องเอามาให้เดินให้เกิด ไม่เกิดก็เคียนพยายามพ่อพูนให้เกิดใช่ไหมว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรเยอะฟังไปเรื่องศีลฟังฟังให้มันเกิดฟังเข้าใจเนี่ยมานี่นะให้ฟังถ้ามาเนี่ยถ้าไม่อยู่ด้วยเนะี่ยถามที่ให้อ่านไม่ต่ำกว่าสิบรอบแล้วมาอธิบายไม่ต่มกว่าสี่ห้ารอบอธิบายทุกวันไม่ได้ได้ไง ถ้ายังไม่ได้บอกเอาต่อเอาไม่ได้ไอ้ต่อมันเป็นนั่งอยู่อย่างนี้เลยยังไม่เจอหน้าก็ถามคนคนบางคนส่วนใหญ่จะมาเจอมาเยอะนะก็จะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีสีเพราะไม่เข้าใจสีใก่ไหมเนาะเพราะไม่เข้าใจสี ก็เลยเข้าใจว่าอามาก็ไปเจอโยมอีคนเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขายะผิดศีลได้ยังไงคุยเก็ไม่ได้ไปคุยกับใครใช่ไหมพี่วีก็ไม่ดูฉะนั้นเขาถึงรัลสัตว์ต่างๆเขาก็ไม่ฆ่าเขาก็มาแต่ ว, วัดฉั้นเขามั่นใจว่าวีศีลอามาก็คุยรู้จักอันมานมาอามาไม่เชื่อหรอกก็โห เขารู้สึกเป็นคนอใจมาเนี่ยมาก็เลยยกระยะรู้จักเจตสิกสีรู้จักเจตนาสีไหมรู้จักสังวรไหมรู้จักอริยสิกไหมไม่รู้เลยถามไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงตอนนี้สี่งเกิดตอนนี้สี่งไม่เกิดใช่ไหมอาการไม่ข้าวนั้นเป็นผลใช่ไหมอย่างไรแต่กรณีที่ไปรู้ว่า ถามว่าแล้วทุกใจบ่อยไหมบ่อยมากกังวลไหมกังวลไม่ค่ยสบายใจเลยไหมใช่แล้วมันศีลมันต้องความสะอาดใจเ่ยใจต้องสะอาดกายไม่ต้องพูดถึงวาจาไม่ต้องพูดถึงสะอาดแล้วอย่าลืมนะถ้ามีศีลส่วนใหญ่ก็มีไปมีแบบว่ามีตัณหามาหนะ้ที่จีนอิงใสใช่ไหม ความสําคัญว่าตัวตนเป็นผู้รักษาก็เต็มไปหมือย่างไรความเข้าใจผิดเต็มไปหมดใจ่ไาใหญอย่างที่พ่อแม่เราสอนก็ใช่ยงไงทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนัานๆศาสนาอื่นเขาก็ไม่ทเรียนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นเขาก็มีสิ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ที่นี้ก็ไม่ไม่เข้าใจเพรานั้นคิดว่าคําสอนของศาสนาพวกนี่ยต้องศึกษาต้องปฏิบัติถึงจะเข้ใจถ้าเราเรียนอย่างนี้ ศาสนาอื่นเขาก็เป็นอย่างเราเลยเขาก็เหม่ทำบาป เ, เ, เ, เหมือนเราพอมี น, นี่แค้เขามีเศษเหมือนเราพอมีแค่ถ้าไมิจะมารู้เรื่องของศาสนาเขาเขานั่นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้ขัดเกลาตัวเองได้ไต่อไปเนี่ยหนึ่งทางกายก็จะต้องขัดเกล้าชัดขึ้นทางวาจาตันี้คำพูดคำจาต่างๆมันออกมาจากจิตที่เป็นกุศลจริง มันจะนอบน้อมใช่ไหมมันจะออกมาจากการนอบน้อมเพระผู้เมียภาพก็จะมีศรัทธาในพระเจ้าเพิ่มขึ้นมันมีปัญญาหินโทษของสังสารวัตรมากขึ้นแล้วการขัดเกลามันชัดแล้วมันจะไม่น้อมไปในการเที่ยงเพ่งเล็งผู้อื่นนะแต่น้อมกลับมาที่จะขัดกเกลื่อนตลอดเองใช่ไหมเพราะน้อมในลักษณะนี้บูมันใช่แล้ว เราภูสุรศีไม่ชัดในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไปในลักษณะนี้แปลว่าสีไม่ชัดแล้วเอตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะงั้นลองพักวองไปเดินดูสีกันดูดีนะ <c oughs>